ปรมมวทแปลเรื่องที่ข่าวสิบสามภาคที่สี่เรื่องนางกีสาโคตมีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงประรบนางกีสาโคตมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจาวัสสตังชีเวอปัสสังอมตังบะทงัง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 ก็ได้ยินว่าทรัพย์40โกดในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้กลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดเศรษฐีเห็นเหตุ น, นั้นเกิดความเศร้าโศกจึงห้ามอาหารเสียคือกินข้าวไม่ลงนอนอยู่บนเตียงน้อยชายผู้หนึ่งของเศรษฐีนั้นถามว่าก็เหตุไรท่านจึงเศร้าโศกเล่าเพื่อน ได้ฟังความเป็นไปนั้นแล้วสหายหจึงกล่าวขึ้นว่าอย่าโศกไปเลยเพื่อนฉันทราบอุบายอย่างหนึ่งท่านจงทำตามอุบายนี้เถิดก็ทำอย่างไรเล่าเพื่อนท่านจงทำอย่างนี้คือจงปูเสือลำแพนที่ตลาดของตนนำฐานนั้นทั้งหมดให้เป็นกองเอาไว้ที่ตลาดจงทำนั่งเหมือนว่าจะขายบรรดามนุษย์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 เพราะท่านนั่งจับเงินทองนั่นเองมิใช่หรือแม่เธอจงนำเงินทองนั้นมาก่อนนางจึงกอบทานขึ้นเต็มมือแล้ววางไว้ในมือของเศรษฐีนั้นทานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองทางนั้นลำดับนั้นเศรษฐีถามว่าแม่เรือนของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อนางตอบว่าอยู่ที่โน้น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 ได้ถึงความเข้มแข็งแล้วนางทิ้งบุตรไว้ในปา่าไปยังสำนักของพระศาสดาถาวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้ที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสกับนางว่าโกตมีเธอได้เมล็ดฮันผักกาศสักหยิบมือหนึ่งแล้วหรือไม่ข้าแต่พระอง์ผู้เจริญถ้าพระองค์ไม่ได้เลยพระชจ้้าเพราะในหมู่บ้านนั้นทั้งสิ้น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 ผู้มีอัตยาใส่ยังไม่เต็มเปี่ยมนั่นแหละลงในมหาสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาผู้หลับไหลไปฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระกานิว่าบรืตยูคือความตายย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจสัน้นไปในอารมณ์ต่างๆไปดุด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 ถึงปรานิพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็นปรานิพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพานอย่างนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนทิจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่ายจะวัฏสะสะตังชีเว อปัสังอมะตังปะทังเอกะหังชีวิตังเสยโยปัสสตังอมะตั ง, ตงปะทังก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในบรดาคำว่าอมะตังปะทัง